เออสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2554นะคะเป็นวันแรม10ค่ำเดือน12เป็นปีเถาะ อ, อยู่ค่ะแต่ถ้าเราพบกันในวันเสาร์หน้าก็จะเปลี่ยนปีไปแล้วนะคะเป็นปีนักษัตรปีโรงค่ะก็วันนี้ดิฉันได้ขออนุ ญ, ญาตนะคะที่จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบน้อมัสการแล้วก็สนทนาธรรมะ พระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนเหมือนเช่นเคยค่ะพระอาจารย์ไพบูุญอภิปุโนนี้ท่านก็เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการอฝึกอบรมหลักสูตรอีกเลนและก็ตามพุทธโอษของวัดป่าดอนไฮโซค่ะท่านเป็นลูกศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดทิตภะโสหรือท่านพระครูสิทธิประภกร น, นะคะก็เป็นท่านที่คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้าน ซึ่งเป็นแฟนรายการธรรมรับรุ่นของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุ้นเคยกันทีเดียวดีทีเดียวเลยนะคะเพราะตั้งแต่วันจันทร์ที่14พฤศจิกายนเป็นต้นมานั้นเนี่ยพระอาจารย์ไพบูลอภิพุโนโอท่านก็ได้เมตตาที่จะรับนิมนต์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะที่จะมาพูดคุยธรรมะดีๆแล้วก็นําธรรมะจากพุทธโอษฐ์แตกต่างกันไปในแต่ละวันเสนอกันเป็นประจำค่ะ แต่ถ้าในเช้าวันเสาร์อาทิตย์อย่างนี้ก็คงจ ะ, ะเด่นก็จะได้มีโอกาสมาสักถามแทนท่านผู้ฟังนะคะเช้าวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์ภับุญอภิบุญ โ, โนพร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเรียนพรสาธุเจ้าค่ะเมื่อเช้าเมื่อวานนะเจ้าค่ะวันเสาร์เราได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของการทําใจให้เป็นสุขนะเจ้าคะที<ช>นี้เนี่ย ยมคิดว่าเรื่องของการทําใจให้เป็นสุขเนี่ยเมื่อวานเราก็พูดถึงคนที่ประสบอุทกภัยเองอหรือว่าคนที่มีจิตอาสาไปช่วยเหลือซึ่งครั้งนี้เนี่ยยมคิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นนิมิตหมายที่ดีมากของประเทศชาติเราเพราะว่าคนไทยทุกหมู่เหล่านะเจ้าคะตั้งแต่พระราชวงศ์ทุกพระองค์ก็ส่งห่วงใยพระสุกร์นิกรส่งองค์มาช่วยเหลื อ, อแล้วก็ประทานพระราชทานของอะไรต่างๆมากมายก็เป็นจุดที่เรารวมใจกันอย่าง เต็มที่เลยเรียกว่าความสามาัคคีเกิดขึ้นในชาติอย่างมากอย่างที่พวกเราหลายๆฝ่ายเรียกร้องนะเจ้าคะ่ะก็เลยอยากจะขออนุญาตพระอาจารย์ไพบูลนะเจ้าคะ่ะนำมาสนทนาเกี่ยวกับเรื่องของคนเราเนี่ยแหละค่ะบุคคลที่คิดว่าได้ทําความดีอะไรต่างๆแล้วเนี้ยเราเคยคิดว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากนะเจ้าคะแตนี้ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยได้กล่าวถึงบุคคลประเภทนี้ไว้อย่างไรบ้างอยากขอกราบนำมรสกการพระอาจารย์ได้เมตตา ชี้แจงแสดงธรรมเลยเจ้าค่ะกราบนิมนต์เจ้าค่ะบุคคลที่พระรูปเจ้าบอกว่าเป็นคนที่หาได้ยากเลยคือเหมือนอย่างกับว่าเราตกอยู่ในสถานการณ์เนี่ยมีคนที่หาได้ยากอยู่สองประเภทนะคือคนที่อุปการะผู้อื่นก่อนแล้วก็ประเภทที่สองนี่คือคนที่รู้คุณแล้วก็ตอบแทนผู้มีบุญคุณนะสองประเภทนี้หาได้ยากในโลกทีนี้ทําไมถึงเป็นอย่างนั้นอันนี้อาตมาต้องให้ท่านผู้ฟังลองพิจารณาตามนะที่ ที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้สมมุติอย่างคุณตือนใจอย่างเงี้ยหรือท่านผู้ฟังทั้งหมดเนี่ยมีนาฬิกาปลุกที่บ้านไหมมีเจ้าค่ะ เ, เวลาที่เราจะต้องการตื่นนอนเวลาไหนใช่ไหมเราก็ตั้งเวลามันถูกปะ่ะสมมุติเราต้องการตื่นตีห้าเงี้ยมาฟังรายการธรรมระบรุนคุณก็นั่งนาฬิกาต4 5 0่ห้ะตีสีพอต4 5 0นาทีใช่ไหมสี่้าห้าสิบเวินาทีเนี่ยมันก็จะดังกิ้งขึ้นมาเนี่ย เรากำลังนอนฝันหวานอยู่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะเราก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาอ่ะนาฬิกาปลุกละเรียกเราละจบค่ะนะเหมือนกันหรือว่าเวลาที่เราหันหน้าไปทํางานนู่นนี่อยู่เนี่ยมีคนมาเรียกเราข้างหลังเราไม่ได้ยินเนี่ยจนกระทั่งเขาต้องเดินเข้ามาสกิดไหล่เราข้างหลังเนี่ยเราถึงจะหันไปมองเขาได้อันนี้คือการเรียกนะเป็นการที่ปลุกให้ตื่นนะเช่นเดียวกันในสถานการณ์อย่างนี้คุณเตือนใจ เ, เมื่อก่อนเนี่ยเ ร, เราอาจจะคิดมีทิฏฐิ ทิมแทงกันนี่พวกเธอนี่พวกฉันฉันไม่ช่วยเธอหรอกนะฉันไม่มีจําเป็นความจําเป็นอะไรต้องช่วยเธอแต่พอมีสถานการณ์อย่างนี้นะสถานการณ์น้าท่วมอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขามีแผ่นดินไหวใช่ไหมอเมริกาเขามีพายุไต้ฝุ่นเมืองไทยเรามีน้ําน้ําเหนือหลบากอย่างเงี้ยมาทําให้เราน้ําท่วมปุ๊บโอโ้เราเห็นข่าวนี้เราทนไม่ไหวเราต้องไปช่วยนะถ้าเราเป็นอย่างนี้นะเหตุการณ์นี้แหละจะเป็นตัวปลุกเราให้ตื่นนะปลุกเราให้ตื่นเป็นสติที่เรียกเราให้ตื่น ปลกจิตวิญญาณที่เป็นของความดีนะสติที่อยู่ในตัวเราเนี่ยมันจะเรียกเราให้ตื่นเฮ้ย hey, คุณออกไปทำอะไรบ้างสินะอย่างทหารที่เขาปลดประจำการแล้วเนี่ยเขามีสตินะคุณตืนใจเขามีความมรลกดีนะเขามีความมรลกได้ว่าเอ้ย hey, ฉันต้องช่วยต่อฉันไม่ทำไมเขาทำได้อะเพราะเขาได้รับการปลุก ใ, ให้ตื่นจากเหตุการณ์นี้อย่างคนในเมืองอย่างเนี้ยที่มีความใช้ชีวิตอย่างสุขสบายเมื่อก่อนไม่ได้แคร์อะไรมาก โอ้พอเห็นชาวบ้านเดือดร้อนอ้าวไปเฮโลก็ไปทํากับข้าวนะเตรียมอาหารเาตรีมของบริจาคปั้นไอ้ลูกกลมๆไปชัยหลุมส้วมทำอะไรต่างๆใช่ไหมเขามาช่วยกันเนี่ยเพราะว่ามีการปลุกให้ตื่นจากเหตุการณ์นี้อาจมาจึงต้องขอบอกว่าเหตุการณ์นี้แหละเราจึงจะสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสแทนที่มันจะมาเป็นค้อนทุบหัวเรานะให้เราเจบเฉยๆไม่ใช่มันเป็นการสกิดให้เราตื่นจากการที่เราทําไม่ดี จากการที่เราคิดไม่ดีเมาก่อนน่ะต้องมาแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งสีเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีสลิมพวกอามาดพวกไพร่พวกอะไรต่างเลิกซะแล้วนะามาช่วยเหลือกัปปนะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเราจะช่วยกันผ่านไปได้บุคคลที่ทําอย่างนี้นะคือบุคคลที่อุปการะผู้อื่นก่อนนะเป็นผู้มีบุคกาลียังมาดาบิดาของเราอะ่ะคิดดูตั้งแต่อยู่ในท้องไงนะโอ้ยถ้าแม่เขาแม่เนี่ยไม่สามารถาที่จะทนความหนักของลูกที่มันอยู่ในท้องเนี่ย คนที่คลอดอมีเคยมีบุตรมาคงจะทราบอยู่ว่าน้ําหนักตัวเองเนี่ยต้องเพิ่มไปอีกถึง10บโลยี่โลนะขาก็ต้องนับน้ำหนักมากนะแล้วก็ระบบอะไรต่างๆภายในร่างกายเปลี่ยนแปลงไปหมดนะถ้าไม่มีความที่จะอุปการะกับบุคคลที่อยู่ในท้องเรานะโอยเราไม่รอดมาถึงปั้นอี้หรอกนะนี่คือตัวอย่างมารดาอย่างบิดาอย่างเงี้ยพอแม่ทุกพ่อก็ต้องทุกไปด้วยนะพ่อก็ต้องไปเที่ยวหานั่นอันนี้มาให้แม่กินอะไรต่างๆนะมันก็ทุกไปด้วยกันเพราะนั้นมารดาบิดาเนี่ย พระเจ้าจึงบอกว่าเป็นผู้ที่มีอุ ป, ปการะมากคือเป็นบุ ป, ปการีของเราเนะเหมือนกันเราไปช่วยคนอื่นเขาอย่างเงี้ยเราไปช่วยคนที่ประสบ ป, ปัญหาในอุตกภัยนะช่วยคนที่ไปช่วยคนอื่นอีกนะจัดหาสิ่งนั้นสิ่งนี้พูดดีต่อกันนะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีสามัคคีพวกนี้คุณเป็นผู้มีบุ ป, ปการีคุณเป็นบุ ป, ปการีบุคคลนะหายากนะไม่ใช่หา ง, ง่ายง่ายจ่แล้วก็มันก็มาได้ไปได้นะ อย่างตอนพายุที่สูนามิที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะเราอาจจะไม่ได้ไปช่วยเหลือคนญี่ปุ่นนะอาจจะนึกไม่ถึงเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่นาฬิกาปลุกเรามันไม่ได้เรียกเราให้เราไปช่วยตรงนั้นเรายังมีสติระลึกไม่ได้นะแต่พอตอนนี้มันมาถึงหน้าบ้านเราแล้วน้ำเป็นต้นหรือว่าปัญหาอะไรต่างๆข่าวต่างๆเป็นต้นอย่างเงี้ยพอน้ำมันใกล้ใกล้กรุงเทพม า, มามากเท่าไหร่ข่าวยิ่งประโคมกันหนักมากเท่านั้น โอ้ยชั้นบ้านยังไม่ท่วมก็เหมือนท่วมไปเลยแล้วมันจึงทําให้เหมือนเป็นกระแสรเรียกนะเหมือนเป็นเวกขับคอในภาษาอังกฤษเขาใช้นะคือปลุกให้เราตื่นจากอะไรจากการที่เป็นคนธรมธรมดาธรรมดาเป็นคนนิ่งเฉยเป็นคนไม่รู้เรื่องอะไรเป็นคนหนาๆไม่เคยสนใจบ้านเมืองอะไรมาช้ามาช่วยกันนะเป็นผู้ที่บุ ป, ปการีคืออุปการะคนหนึ่งก่อนนะคุณถูกเรียกแล้วคุณมีกระแสรเรียกแล้วอย่างเวลาบ้านเมืองมีปัญหาที่จะไปรบอย่างเงี้ยเขามาเกณฑ์ทหารนอะ่ะเขาส่งหมายเรียก กำลังสำรองจะจที่จะไปรบอย่างเงี้ยนะอย่าสมัยก่ออัตมา ก, ก็ไปเรียนระดอนนะเขาเรียกว่าศูนย์รักษาอะไรกำลังสำรองนะก็จะต้องเป็นผู้ที่คอยเตรียมการในการที่จะระวังสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับกระแสะเรียกเนี่ยเมื่อเราได้รับสิ่งที่จะเรียกเราปลุกเราให้ตื่นเราจึงจะต้องไปช่วยนะเป็นผู้ที่มีบุคลารีนะคืออุปการะแก่คนอื่นก่อนเพราะฉะนั้นเราเวลาเรา พบเหตุการณ์ใดๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ไหนนะคุณตือนใจ อ, อ, อย่างพายุกระจีน่าที่อเมริกาหรือว่าซีนามิที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราฟังข่าวนั้นเราอาจจะไม่รู้เลยว่าเอ๊ะฉันต้องทําอะไรในชีวิตของฉันต้องทําความดีตรงไหนต้องไปช่วยเหลือใครไม่รู้เรื่องก็ทําไปตามเป็นกระแสชีวิตที่ฉันเป็นเนาะจนกระทั่งน้ํามันมาถึงหน้าบ้านเรานะหรือว่าน้ํามันมาโดนคนที่เรารักนะอย่างลูกหลานที่เราอยู่กรุงเทพเนี่ยถ้าถ้าตัวเธอเป็นผู้อยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ย โอ้ยต้องอพยพย้ายขนออกมาจากกรุงเทพแล้วก็มาอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดอย่างเงี้ยแล้วพึงพ่งถึงจะรู้ถึงปัญหาและกลายมาเป็นผู้ที่ทำความดีมาเป็นผู้ที่บุปการุปการะผู้อื่นก่อนนะตรงนี้อาตมาจึงบอกว่ามันเป็นกระแสรเรียกมันเป็นนาฬิกาปลุกที่ปลุกเราให้มารึกถึงความดีเหมือนมาสกิดหลังเรานะหรือเหมือนเป็นนาฬิกาปลุก ใ, ให้เราตื่นจากความฝันนะให้มาพบกับความจริงสักทีเถอะ นะทําความดีได้แล้วหรือว่าเธอมาช่วยเหลือกันแล้วเธออย่ามาแบ่งแยกกันเลยเธอมาเป็นผู้สา ม, มัคคีกันนะเธออย่ามีความเห็นต่างกันนะเธอให้มีความสอดคล้องปลองดองกันอย่างนี้ให้ใ ห, ให้เห็นตรงนี้ถ้ายังไม่เห็นนะักธรมาว่ามันจะต้องหนักไปกว่านี้มันจะไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้ถ้ายังไม่เห็นคุณจะต้องถูกเตือนดังหนักขึ้นอย่างนาฎกาปลุกเนี่ยมันจะมีรุ่นแบบหนึ่งคุณเตนใจที่มันจะดังเบาๆก่อ น, อนใช่ไหม ถ้าไม่ตื่นนะอีกสักสองทีมันจะดังหนักขึ้นยังไม่ตื่นมันดังหนักขึ้นจนกระทั่ง<ช>เหมือนแผ่นดินไหวไปเลยนะมันจะต้องปลุกมา ใ, <ช>ให้ตื่น<ช>มันจะมีคนแบบนี้เกิดขึ้นจะมีเหตุการณ์แบบเนี้ยแน่นอนนะพระเจ้าได้พยากรณ์ไว้แล้วโลกมันจะต้องเป็นไปในลักษณะนี้แต่ถามว่าเมื่อไหร่ล่ะเมื่อไหรเราจะตื่นเมื่อไร่เราจึงจะรู้จักว่าเราเป็นคนทําความดีนะก็เมื่อเรามีสตินั่นแหละสติบางคนหนาบางไม่เท่ากันนะบางคนตั้งแต่พายุใต้ฝุ่นคริสติน่าที่อเมริกา หรือว่าสึนามีที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าเขาจะต้องทําความดีเขาจะต้องเตรียมตัวเข้าไปช่วยเหลือที่นูน่นเขามีการอาพยพย้ายบ้านไปเรียบร้อยแล้วมีการคิดถึงอนาคตว่าถ้าจะมีภัยแบบนี้ฉันจะต้องทํำยังไงเตรียมการไว้ก่อนแล้วมีคนประเภทนี้มีนะส่วนคนที่ตรงกระทั่งจนกระทั่งน้ํามาถึงบ้านฉันแล้วถึงถึงงจะเอากระสอบทรายมาตั้งอย่างนั้นก็มีนะมันก็ต่างกันนะ่ะคนเราหนาบางไม่เท่ากันเนาะมีอินทรีย์บารมีไม่เท่ากันมีบุญบารมีมาไม่เท่ากันแต่เป็นยังไงก็เป็นคนเหมือนกันนะ่ะ เป็นยังไงก็เป็นผู้ที่ตกอยู่ในอานาจของอทุกขเวทนาตกอยู่ในอานาจของสุขเวทนาเหมือนกันเพราะเราจึงควรจะช่วยเหลือกันเพราะฉะนั้นคนที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วเนี่ยแล้วถ้าเป็นผู้รู้คุณนะตอบแทนบุญคนผู้อื่นเนี่ยตอบแทนคนที่มีคุณต่อเราเนี่ยก็เป็นบุคคลประเภทที่2ที่หาดียากคือผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทนะีอย่างผู้ที่ประสบปัญหาน้ําท่วมอยู่อย่างเนี้ย มีคนผู้เป็นคคอุปการะใช่ไหมบุปการีเนี่ย่อุปการะคนอื่นก่อนเราเนี่ยจะกลายเราเนี่ยถ้าเราตอบแทนคุณเขากลับนะเรารู้คุณของเขานะความรู้คุณเนี่ยเขาเรียกว่ากตัญญนะูการตอบแทนคุณคนอื่นเนี่ยเขาเรียกว่ากะตะเวทีสองอย่างนี้รวมกันเรียกว่านกะตัญญูกตะเวทีแปลว่ารู้คุณแล้วแล้วก็ตอบแทนคุณด้วย คืออาจามาว่ า, างนี้ว่าคนอย่างุปไปอุปกราระผู้อื่นอย่างเงี้ยอย่างเราไปช่วยเหลือน้ำท่วมเนี่ยเราไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนนะคุณเตนใจ <Okay. S 1> เราไม่ได้หวังว่ารัฐบาลอย่างอย่างทหารประจําการอย่างเงี้ยหรือว่าข้าราชการอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้หวัง<ช> ว, ว่ารัฐบาลจะให้เงินเราเพิ่มในะหรือเราก็ไม่ได้หวังว่าเราจะไปโกงอะไรในการค้าการขายเพื่อที่จะให้เรามีตังค์เพิ่มขึ้นมานะคือเราไปช่วยด้วยน้ําใจจริงๆสำหรับ<ช>คนที่เป็นน ะ, พะเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน แต่ขอแค่ว่าไอคนที่เราไปช่วยเนี่ยเขารู้คุณเราก็พอนะเขาไม่ต้องเอาอะไรมาให้เราแต่ขอให้เขารู้คุนเฉยๆนะตรงนี้คือความกระตันอยู่อย่างแม่รักลูกอย่างเนี้ยช่วยเหลือเลี้ยงดูลูกต่างๆลูกเนี่ยไม่ต้องทําอะไรให้แม่ก็ได้แม่ก็ดีใจแล้วแค่เป็นคนดีแค่เป็นคนรู้คุณมารดาบิดาใช่ไหมนี่คือความกระตันอยู่แล้วถ้าคุณทําอะไรเป็นการตอบแทนนะนะเป็นการตอบแทนทําอะไรเป็นการตอบแทนนะอันนี้ชื่อว่ากระตะเวทีด้วย นะเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้รับการอุปการะเนี่ยคือเขาเขาอุปการะเราแล้วเราแค่รู้คุณนะหรือถ้าเราสามารถทำอะไรได้เพิ่มเราก็เป็นการอตอบแทนคุณก็เป็นกตาเวทีเพราะฉะนั้นบุคคลที่รู้คุณแล้วแล้วก็ตอบแทนคุณด้วยนี่เป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกเนาะแต่มันจะมีกรณีนี้เกิดขึ้นนะคุณเดือนใจอย่างเพิ่งเราไปช่วยเขาอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยไม่รู้คุณนะแถมด่าเราอีก ก็มีเหมือนกันนะคุณตนใ จ, จอย่างเวลาเอาอาหารไปให้อย่างเงี้ยเวลาอาหารไปให้เนี่ยเอาถุงยางชีพไปให้เปิดมาในถุงยางชีพเอา้าทําไมมาม่าไม่เป็นรสชาตินี้ชอบรสหมูสับทําไมเอารสต้มยํา ม, มาให้เคียย่ยทิ้งอย่างเงี้ยก็มีนะ <c oughs> แม้ถ้าเราเจอแบบนี้เราจะรู้สึกไม่ดีมากๆเลยนะคือคือคนที่เขารับไปเขาไม่เป็นผู้รู้คุณอ่ะคือไม่มีความกระตันอยู่คือเราไม่ได้หวังว่าเขาจะตอบแทนอะไรมากแล้วนะ คืออย่างน้อย ร, รู้คุณค่าของสิ่งที่เราเอาไปให้แค่นั้นก็พอใช่ไหมก็เป็นผู้มีความกระตันยูแค่นี้เราก็พอใจแล้วแต่ถ้าเราเป็นคนประเภทอีกประเภทหนึ่งที่ไม่กระตันยูเนี่ยโออันนี้ไม่ดีเป็นคนไม่ดีนะเป็นพวกที่ไม่ควรมีอยู่ในโลกนะเขาจึงสร้างสถานที่ที่เรียกว่าคุกเนี่ยเอาไว้สำหรับคนพวกนี้นะแล้วก็ถ้าเราเป็นคนดีนะเรารับมาเรารู้สิ่งที่มีคุณค่าเนี่ยก็ชื่อว่าผู้มีกระตันยูลนะเนาะเพรา ะ, ะนั้นเราได้รับการช่วยเหลือก็ตามแล้วรู้คุณ หรือเป็นผู้ที่กําลังช่วยเหลือคนอื่นนะด้วยความใจจริงใจเนะี่ยเป็นผู้ที่อุ ป, ปการะผู้อื่นก่อนเป็นก็เป็นบุ ป, ปการีเนะี่ยโอ้เป็นสองคนที่หาได้ยากในโลกนะในเมืองไทยตอนนี้เราต้องการคน2ประเภทนี้มากที่สุดให้ดูแลการช่วยเหลือกันเราจะผ่านพลวิกฤตนี้ไปได้เจ้าค่ะเราจะมองในแง่นี้ได้ไหมเจ้าค่ะว่าอ่าสำหรับเหตุการณ์วิกฤตที่เป็นมหาอุทธกภัยที่ประชาชนคนไทยเราทั่วประเทศนะเจ้าค่ะได้ผ่านพ้นมานั้นเนี่ย เราก็จะน่าปลื้มใจที่ว่าเป็นสิ่งที่เหมือนเป็นนาฬิกาปลุกอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าคะทำให้ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นที่เขามองว่ามัวแต่เล่นเน็ตนะเจ้าค่ะโซเชียลเน็ตเวิร์กแชทไปแชทมาปรากฏว่าเขาใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กอันนั้นนะเจ้าค่ะมาชักชวนกันออกมาทําความดีให้กับประเทศชาติมาช่วยเหลือคนอื่นมาปั้น e m ball มาช่วยใส่ถุงยางชีพอะไรต่างๆนะเจ้าค่ะอันนี้เท่ากับเราปลุก เรียกว่าเป็นอะไรนะเจ้าคะเป็นเยาวชนอีกรุ่นหนึ่งอะ<ช>่ะอีกเจเนอเรชันหนึ่งอ่ะเจ้าคะ ใ, <ช>ให้มีความตื่นตัวในเรื่องของการที่จะมาช่วยเหลือแล้วก็มองเห็น อ, อยากจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในภาพรวมของชาตินะเจ้าคะ<ช>แล้วก็อีกทางนึงก็คือเรื่องของการที่ เออการที่พอพวกนี้ไปช่วยเหลือแล้วเนี่ยเจ้าค่ะสำหรับผู้ที่รับความช่วยเหลือเองนั้นเนี่ยส่วนใหญ่โยมเชื่อมั่นว่าอ่าหลายท่านเนี่ยก็ชื่นชมนะเจ้าค่ะแต่ก็เห็นในข่าวเหมือนกันนะเจ้าค่ะว่าบางคนนั้นเนี่ยรอคอยมานานก็อาจจะเนื่องจากไม่มีสติอยู่ในจิตใจดังนั้นพอเขาอุตส่าห์ฟันฝ่าไปไปมอบของให้หรือว่าเกื้อหนุนอะไรต่างๆเนี่ย อาจจะไม่ถูกใจอย่างที่พระอาจารย์ว่าเนีเจ้าคะ่ะก็อาจจะแสดงอารมณ์ไปต่อว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่โยมคิดว่าผู้รับเองก็จําเป็นที่จะต้องอมีสติเช่นเดียวกันแล้วก็ต้องมีทั้งการตันยูและกะตะเวทีในเวลาพร้อมกันถูกไหมเจ้าคะ่ะอันนี้ตอนแรกอัตมา ก, ก็เคยได้ยินข่าวนะอย่างสมมติพวกสีหนึ่งเอาฉงอย่างที่ไปแจกพวกอีกสีหนึ่งไม่ยอมรับอะไรเงี้ยนะไม่ได้เห็นคุณค่าตรงนี้มันก็ พอหนักเข้าหนักเข้าเนี่ยยังไงเขาก็ต้องมีสติขึ้นมาได้หนักเข้าหนักเข้าเนี่ยถึงจุดที่รเรียกว่าโอ้ย e ฉันจะต้องปล่อยวางละมันยังไงก็ต้องรับความช่วยเหลือกันนะเออเรามีสติให้อภัยกันละกันจุดนั้นแหละคือจุดที่คุณจะตื่นได้ไงจุดที่คุณจะเรียกว่าเป็นผู้มีความกตัญญูได้เป็นจุดที่คุณจะทําความดีได้เป็นจุดที่คุณจะอดทนได้เป็นจุดที่คุณมีสติขึ้นมานีอาตมาจึงเห็นว่าภัยพิบัติครั้งนี้เนี่ยเราเปลี่ยนได้ อย่างในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเงี้ยที่เขาเล่นเน็ตกันแชทกันเหมือนกับดูได้สาระเขาพลิกขึ้นมาเลยนะให้กลายเป็นช่วยเหลือเกื้อกูลกันใช่ไหมใครจะรู้ว่าโอ้โหในสถานการณ์แบบนี้เครื่องมือแบบนี้มันช่วยได้นะช่วยได้มากซะด้วยนะมันก็เป็นเป็นก็เรียกว่าสตินะัที่เรามีเป็นเหมือนกับนาฬิกาปลุกที่เราใช้ได้แตนะ่ทีนี้ให้มีให้ตลอด อย่าเพิ่งไม่ใช่ว่าน้ําลดแล้วก็หายไปกับ น, น้ำนะให้มันมีให้ตลอดเจ้าค่ะนะให้มันมีให้ตลอดเจ้าค่ะมยมอยากจะข อ, อ, อให้พระอาจารย์ภับุตรอภิปุโนโ น, โ น, โนโะเจ้าค่ะได้เมตตาที่จะสาคชาตรงประเด็นนี้ยเจ้าค่ะว่าสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นเรียกว่าเป็นโอกาสหรือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามที่ประชาชนส่วนใหญ่นะเจ้าค่ะตอนนี้ต้องต้องการความปร่งดองความสามัคคีของคนในชาติใช่ไหมเจ้าค่ะที่จะเป็นพลัะ ผักดันให้ประเทศของเราเนี่ยเดินหน้าต่อไปสามารถฟื้นตัวขึ้นมาสร้างความเชื่อถือให้กับอนานาณาอารยประเทศเขาให้เขาไม่ถ อ, อนการลงทุนออกไปจากบ้านเราอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าค่ะอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโ น, โนได้เมตตาสากระฉานิจเจ้าค่ะว่าเราควรจะวางจิตอย่างไรหรือคิดอย่างไรจึงจะคงสิ่งที่ดีๆที่เป็นบุคคลที่หาได้ยากทั้งสองประเภทคือกฎที่อุปก า, าระผู้อื่นก่อนด้วย แล้วก็เป็นคนที่เป็นผู้มีความกระตันยูกระตะเวทีก็คือทั้งรู้คุณคนอื่นแล้วก็ตอบแทนบุญคุณคนอื่นด้วยเจา้าค่ะ<ข>นิมนต์เจ้าค่ะก็อันนี้ง่ายๆถ้าจะพูดให้มันยากเนี่ยก็พูดได้นะพูดถึงเป็นหมวดธรรมะข้อ1ข้อ2จนถึงข้อ12นี่ก็ยังพูดได้แต่เอาง่ายๆนะที่ท่านผู้ฟังฟังแล้วก็เฮ้ยไปทําได้เลยนะคือถ้าเราไปช่วยคนอื่นก่อนเนี่ยนะคือเราไปช่วยเขาเนี่ยเนื่องจาก ความสงสารความเมตตาที่เรามีใช่หเนื่องจากเราสภาพที่เราเห็นมันมาทางตาทางหูเนี่ยเราไปช่วยเขาเนี่ยไอ้พวกนี้คือเป็นคนที่อุปการะผู้อื่นก่อนอันนี้ดีละส่วนคนที่ได้รับการช่วยเหลือนะแค่ว่านะไอ้ความรู้คุณเนี่ยรู้คุณเนี่ยคุณไม่ต้องหมายความว่าต้องไปกราบเขาไปยกมือท่วมหัวหรื อ, อทำหน้าตาเศร้ า, า, าให้เขามาคอยช่วยไม่ใช่อย่างนั้น นะคนที่จะเรียกว่าเป็นผู้กระตันยูผู้รู้คุณนะแค่ว่าคุณทําดีพูดดีคิดดีพูดดีคิดดีทดําดีนั่นชื่อว่าเป็นคนเป็นคนรู้คุณแล้วนะนะไม่ด่าเขาคุณเอาของไปให้คุณไม่ด่าเขาคุณไม่ด่าคนข้างๆด้วยนะคนที่รับเนี่ยคนมาแย่งกันเนี่ยคุณก็ไม่ด่าเขาคุณก็ไม่คิดร้ายกับเขาคุณก็ไม่ทําร้ายเขาแค่พูดดีคิดดีทําดีเนี่ยพระเจ้าบอกว่าอันเนี้ยคือคนที่กระตันยูละนะเป็นคนที่รู้คุณของคุณธรรมคนนั้นเขา คุณบูชาคนที่เขาเอามาให้เนี่ยด้วยการพูดดีคิดดีทดําดีอย่างพรุทธเจ้าอย่างเงี้ยบอกว่าเฮ้ยเธอพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้สาวกเนี่ยนะต้องมากราบพระพุทธเจ้าสาครั้งนะแล้วก็เดินวนสมรอบนะแล้วก็ใช้ทุบ9้าดอกนะต้องทูบกลิ่นหอมด้วยนะอย่างอื่นไม่ได้นะไม่เคยพูดเลยว่าอย่างงี้คือการบูชาแต่บอกว่าถ้าเธออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะอยู่ไกลจากเราแม้ร้อยโยชน์นะแต่ถ้าจิตของเธอเนี่ยเป็นจิตที่เป็นหนึ่งไม่มีความสั่นสายหมุนไปผิดไม่มี มิจฉาทิฐิเป็นจิตที่ไม่มีนิวรณ์เป็นจิตที่เป็นหนึ่งเป็นเอกกตาเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ชื่อว่าบูชาละเพราะฉะนั้นเรารับของอยู่เนี่ยเป็นผู้ได้รับการช่วยเหลืออยู่ในสังคมเนี่ยเราพูดดีคิดดีทําดีเนี่ยอยู่ที่นั่นก็ชื่อว่าบูชาละคุณจะบูชาในหลวงอ่ะคุณไม่ต้องไปถึงโรงบาลศิรินาคไปเซ็นชื่อจนเมื่อยมือก็ได้คุณอยู่บ้านคนนะ่ะเราพูดดีคิดดีทดําดีบูชาแล้วนะคนที่ไปอยู่แม้กระทั่งใกล้ชิด นะกับคนที่เราคิดว่าคนที่เป็นมีบุญคุณมากแต่คุณคิดไม่ได้เรื่องยังคิดชั่วอยู่ยังคิดเกลียดคนอื่นอยู่ยังคิดเคียดแค้นคนอื่นอยู่ยังคิดแบ่งสีอยู่แบ่งพวกอยู่อันนี้ไม่ได้เรื่องชื่อว่าไม่ได้บูชาอยู่ใกล้ก็ถือว่าไม่อยู่ใกลพระเจ้ายังบอกว่าคนที่จับชายสังกติบองอยู่นะแต่จิตสัตว์สายหมุนไปผิดเต็มไปด้วยนิวรมีความกามกำหนัดแรงกล้าในการทั้งหลายเป็นจิตที่ไม่เป็นสมาธินะอยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกลโดยแท้ เพราะฉะนั้นง่ายๆที่สุดนะเราพูดดีคิดดีทําดีเราเห็นข่าวไม่ดีใช่ไหมเราไม่ฟังคือหมายถึงว่าฟังอยู่แต่ทิ้งไปไม่สนใจนะข่าวนี้ดีๆเราเราฟังคนอื่นมาพูดสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมก็ไม่สนเราจะพูดความดีนี่คุณตือนใจรู้ไหมถ้าไม่มีพรุทธเจ้านะอาตมาเนี่ยจะจะแคบมายืนยันกับท่านยุทฟัง่ันต่างสถานีปฏิทุเนี่ยบอกว่าโอ๊ยเธอต้องพูดดีคิดดีทําดีนะนี่มันเป็นนาฬิกาปลุกหน้าต้องมีสตินะเราจะ เราจะยืนยันนั่งยันได้เนี่ยเราเราก็พูดได้เท่าที่เราจะพูดได้อ่ถ้าไม่มีพระเามายืนยันคคไว้ก่อนนะอาตมาจะไม่มีกําลังใจในการที่จะมาพูดให้ท่านบุฟังแล้วฟังเล่าว่ามันต้องทําความดีนะเธออย่าไปทําความชั่วเราจะไม่มีกําลังคคในการทำเชนะ่นนั้นเพราะว่ามีพระเามาคอยเป็นหลักให้เราอยู่เป็นเหมือนเสาเขื่อนเสาหลักที่พอเราพูดแล้วเนี่ยเราก็มั่นใจเลยว่าเอ้ยถ้าเธอคิดดีทดําดีพูดดีนะ เธอเป็นบุคคลที่กระตันอยู่นะเธอเป็นผู้ที่อุปการะผู้อื่นก่อนนะชาติเราจะเคลื่อนที่ไปในข้าน้าได้ไม่ใช่แค่ชาตินะแล้วถ้าชาติเราเป็นอย่างนี้นะประเทศที่มีบุคคลที่มีผู้ดีขี้ดีทําดีเนี่ยเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลกนะไม่ว่าจะน้ําท่วมไม่ว่าจะเป็นภูเขาจะเป็นทะเลจะเป็นภูมิประเทศจะสวยงามขนาดไหนถ้ามีการฆ่ากันลักขโมยกันทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากประเทศนั้นไม่น่าอยู่ แต่ถ้าประเทศไหนนะเป็นภูมิภาคกยังไงก็ได้แหละครับแต่ถ้าคนมีเป็นคนดีอย่างทําไมเมืองไทยมีชื่อเสียงเรื่องสยามเมืองยิ้มเห็นไหมว่าเราคิดดีพูดดีกว่าคนอื่นเราเป็นมาตลอดแต่เพราะเหตุการณ์บ้านเมืองมันเปลี่ยนไปทําให้เรามีความคิดแบ่งพักแบ่งพวกมาพูดไม่ดีคิดไม่ดีทําไม่ดีมันจึงไม่ดีมาไงพอไม่ดีแล้วโว้ยอย่าพูดถึงแค่การถอนการลงทุนกันเลยคุณเตือนใจคนในประเทศก็ไม่อยากอยู่ในประเทศต้องออกนอกประเทศหนีไปที่อื่น พอไม่อยากอยู่ไม่อยากได้ยินขา่าไม่อยากฟังไม่อยากเห็นไอ้คนพวกนี้เพราะมันพูดไม่ดีคิดไม่ดีทําไม่ดีแต่ถ้าเมื่อใดเราพูดดีคิดดีทําดีนะอย่าว่าแต่คนในเมืองไทยคนในประเทศไทยยิ่งจะสามกีกันคนเมืองนอกคนต่างประเทศเขาก็อยากจะมาอยู่ที่นี่เพราะว่าอะไรเอ้าเราเห็นแต่สิ่งดีๆไว้เราก็ได้ยินแต่สิ่งดีๆไว้เราเห็นคนไหนเขาก็คิดดีพูดดีทดําดีเอ้าประเทศอย่างนี้น่าอยู่นะคะดีความในศาลจะลดลงไปเลยถึง 90% เหลือแค่ส 5% ร็นห้าปเซ็นรัฐบาลจะประหยัดงบประมาณอย่างมากในการที่จะต้องมารักษาคนไอ้พวกที่เป็นโรคพิสุลาเรื้อรังนะโรคคดีความที่เกิดจากการผิดศีลห้าทั้งหมดหายไปหมดเกลี้ยงเลยโอ้ยแล้วประเทศไหนมันจะไปเจริญกว่าประเทศไทยเนื่ออกมแท้เราคิดมีผู้ดีทดําดีคนที่มีวิสัยทัศน์ถึงจะทําได้ใครสมณโคดม<จ>ัน พระพุทธเจ้าไงยืนยันนั่งยันนอนยันนอนไปแล้วเนี่ยปฏิญญาไปแล้วก็ยังยืนยันอยู่ตรงนี้นอนยันอยู่อาตมา ก, ก็มานั่งยันอยู่กับท่านผู้ฟังว่าเฮ<ะ>้ทยาทาอย่างนี้สิทาอย่างนี้สิถึงจะถูกแล้วเรานะอย่าไม่ต้องพูดถึงการลงทุนเลยคุณเตือนใจเศรษฐกิจสังคมปัญหาต่างๆในในสังคมเนี่ยจะแก้ไขไปได้ในสังคมจะมีความรักความเมตตกันากมากขึ้นเพ่อแม่พี่น้องไอ้เรื่องการหย่าร้างสโสเพณีเด็กไอ้สิ่งที่ไม่ดีต่างๆเศรษฐกิจโอ้จะดีขึ้นมาทั้งหมด แค่ที่คนเจ้าค่ะเจ้าค่ะอยู่ที่ตัวคนในประเทศเราเองนะเจ้าค่ะที่จะต้องพยายามนำบทเรียนจากการที่เราได้พบสิ่งดีๆหรือว่าทำสิ่งดีๆจากนาฬิกาปลุกของชีวิตเราให้เกิดสติขึ้นมาเนี่ยให้เราพยายามทำตัวให้ เป็นคงความเป็นบุคคลที่หายยากสองประเภทอย่างที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้นะเจ้าคะก็คือบุคคลที่ให้การอุปการะาผู้อื่นก่อนออออในขณะเดียวกันก็เป็นบุคคลที่มีความกระตันยูกระตะเวทีก็คือรู้คุณคนอื่นด้วยตอบแทนบุญคุณคนอื่นด้วยถ้าอนิยมจะขออนุญาตใช้เวลาสานาทีสุดท้ายของรายการเราวันนี้เนี่ยปราบนิมน์พระอาจารย์ว่า ถ้าเผื่อประชาชนคนไทยทุกคนนะเจ้าคะ่ะที่เราผ่านวิกฤตมาด้วยกันในเรื่องของอุทกภัยครั้งร้ายแรงประวัติศาสตร์ของเรานั้นเนี่ยจะตอบแทนบุญคุณประเทศชาตินะเจ้าคะ่ะด้วยการเป็นคนที่กระตัญญูกะตะ ว, วิทีด้วยการที่จะคงความดีความมีสติแล้วก็คงคุณลักษณะของการที่จะเป็นคนหรือเป็นบุคคลที่หาได้ยากสองประเภทอย่างที่พระองค์ว่าไว้นี้ก็คงจะทาให้ประเทศของเรา ก้าวผ่านค้นสิ่งที่เรียกว่าเป็นวิกฤตแล้วก็ในโอกาสหน้าก็เชื่อมั่นว่าคงจะไม่เกิดขึ้นอีกใช่ไ้ยเจ้าคะนิ ม, มนต์เจ้าคะ่ะก็ที่คุณตัดใจพูดมานี้ก็สรุปหมดเรียบร้อยเลยนะคือว่าแค่เราพูดดีคิดดีทำดีนั่นจะเป็นผู้ที่ตอบแทนรู้ร ค, คุณแล้วก็ตอบแทนบุคคลอื่นได้นะในทาง จิตใจแล้วก็ถ้าเรามีกำลังมีเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยพอจะช่วยเหลือได้เราอุปการะผู้อื่นก่อนแค่อุปการะด้วยวาจาพูดดีๆกันเนี่ยก็ชื่อว่าอุปการะด้วยวาจาแล้วนะแล้วเราก็จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้แล้วก็ถ้ามันมีอีกเราก็ไม่กลัวเราจะไปกลัวอะไรเพราะเราผ่านมาแล้วเราจะเจออีกสัก1ิบรอบ20รอบเราก็ผ่านได้ต่อให้มันหนักกว่านี้เราก็ยังจะต้องผ่านได้ถ้าเราเป็นผู้ที่ทรงคุณธรรมอย่างที่พระเจ้าสอนเอาไว้ ให้ทาต่อไปน้ําลดเราก็ทําต่อไปอย่างนี้อืเจ้าค่ะยังคงความดีนี้อยู่นะเจ้าค่ะแล้วก็พยายามที่จะรักษาจิตของเราแล้วก็พยายามที่จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่จะทําให้เรากลายเป็นบุคคลที่หาได้ยากสองประเภทยอย่างที่พระองค์ได้กล่าวไว้แล้วนะเจ้าค่ะถูกต้องเลยเอสําหรับในเช้าวันนี้นะเจ้าค่ะยมก็คิดว่าคงจะการสารกการาของพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโน แห่งวัดบ่าดอนหายโศกตำบลหนองหาอนอำเภอหนองหาจงนจังหวัดอุดรธานีนั้นเนี่ยคงจะได้ให้แง่คิดแล้วก็แนวทางดีๆให้สติกแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านทั่วประเทศซึ่งได้ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมรับปรุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในขณะนี้นะคะเข้าช่วงนี้เดชคิดว่าคงจะมีหลายจังหวัดก็มีเรื่องของปิกคลีนนิ่งเดย์ก็คือการทําความสะอาด ซึ่งเราก็เคยเห็นมาแล้วบรรดาเยาวชนทั้งหลายใช้โซเชียลเน็ตเวิร์นั้นออกมาทำความสะอาดถนนสีรมอะไรต่างๆตอนเหตุการณ์ที่ร้ายๆที่ผ่านมาดังนั้นรายการธรรมาราบุรุญจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและพระอาจารย์ไพบุญณภิปุนโนรวมทั้งผู้จัดรายการของสถานีทุกคนนะคะก็หวังใจว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้คงจะเดินด้วยขดีต่อไปแล้วเราก็มาช่วยกันสร้างชาติสร้างแผ่นดินใหม่ แล้วไม่ว่าภัยจะเกิดขึ้น อ, อีกครั้งหน้าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยเราจะแก้ไขกันได้ง่ายยิ่งขึ้นเพราะว่าเรามีฐานที่ดีแล้วนะคะ mm hmm. ค่ะก็ขออนุ ญ, ญาตท่านผู้ฟังที่จะกราบน้ำมัสการและก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบุญอภิบุญโอลูกศิษย์เองของพระเด็พระคูหลวงพ่อดรสอาดทิโตภโสหรือท่านพระครูสิทธิาพพกรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศก ตำบลดอนหายสุกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันเสราร์อาทิตย์หน้าค่ะซึ่งก็จะเข้าสู่ปีมาโงกันแล้วนะคะกราบนมัสการลาและกราบขอพระคุณเจ้าค่ะพระเจ้าขาเชิญ่านตาทุกเจ้าค่ะ